สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของกฎทองคำกฎที่สิบสองที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องกับความเชื่อพี่น้องครับสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าความเชื่อนั้นจริงๆนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไร ในตอนต้นนั้นผมได้นำเสนอว่าความเชื่อนั้นมีอยู่สี่ประเภทหรือสี่แบบครับความเชื่อแรกก็คือความเชื่อแบบผีปีศาจความเชื่อเฉยๆเชื่อเฉยๆคือเชื่อที่ทำให้เราไม่ได้รับความรอดนะครับคือรู้ว่ามีเชื่อแบบที่ผีมารซาตานวิญยันชั่วเชื่อว่ามีพระเจ้านั่นคือความเชื่อประเภทที่หนครับ ความเชื่อประเภทที่สองก็คือความเชื่อศรัทธาที่เราเรียกว่า faith นะครับ faith นั้นก็คือเป็นความเชื่อที่ศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เป็นความเชื่อที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมีความศรัทธามีความรู้ว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อเราและเราสมควรที่จะต้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดอันนั้นเรียกว่าเป็นความเชื่อศรัทธาครับ ความเชื่อศรัทธานั้นเป็นความเชื่อพื้นฐานที่เกิดขึ้นในตัวของโจนบนแมงเขนครับก็คือเขามีความศรัทธาเขาเชื่อพระเยซูความเชื่อประเภทที่3ก็คือความเชื่อที่เรียกว่าไว้วางใจความเชื่อไว้วางใจก็เป็นความเชื่อที่พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งครับภาษาอังกฤษเรียกว่า trust trust น้นก็แปลว่าเชื่อและมอบชีวิตให้อยู่ในพระั ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือเป็นความเชื่อที่พัฒนาขึ้นในชีวิตของโจเออีกเหมือนกันครับเมื่อเขาเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นเขาก็ได้รับความรอดแล้วครับแต่เขาก็ยังมอบจิตวิ ญ, ญญาณของเขาให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าขอพระเยซูลำลึกถึงเขานั่นคือความเชื่อไว้วางใจว่าต่อไปนี้ชีวิตของเรานั้น จะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์และมอบชีวิตถวายแด่พระองค์นั่นคือความเชื่อประเภทที่สามครับความเชื่อประเภทที่สี่เป็นความเชื่อเรียกว่าการเชื่อฝังนะครับ OB เพี่น้องเคยได้ยินครับว่าเพลง trust and obey trust and obey แปลว่าไว้วางใจและเชื่อฝังเป็นความเชื่อที่อยู่ในระดับสูงที่สุดครับก็คือทําตามที่ พระเจ้าปรารถนาให้เรากระทำในฐานที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นปชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นความเชื่อแบบที่4นั้นเป็นความเชื่อที่แสดงออกครับเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความรอดของเขาแต่ละคนนั่นครับคือความเชื่อ4ี่ประเภทในวันนี้นั้นเราจะกลับมาดูว่าความเชื่อนั้นมีนิยามว่าอย่างไรหรือความเชื่อนั้นมีความหมายว่าอย่างไรท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้เขียนไว้ครับอย่างนี้ 1. ความเชื่อนั้นการต้อนรับคับการต้อนรับความเชื่อนั้นหมายถึงการต้อนรับพี่น้องครับทำไมความเชื่อหมายถึงการต้อนรับในพระธรมยอนบทที่ 1: นึข้อสบอบอกว่าบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงประทานให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้า คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเขาได้เปิดประตูใจต้อนรับพระเยซูเข้าไปเคยมีเพลงที่เด็กๆนะครับผมเคยร้องเปิดประตูใจต้อนรับพระเยซูเปิดประตูใจ ต, ต้อนรับพระเยซูนี่นะครับคือการเปิดใจต้อนรับพระเยซูความเชื่อนั้นแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อที่นำไปถึงความรอดคือต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระองค์ประทับอยู่ภายในชีวิตของเรา คนคนนี้ก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาแล้วคนคนนี้ได้รับความรอดครับความหมายที่สองความเชื่อนั้นคือการเชื่อฟังก็สอดคล้องกับประเภทของความเชื่อนะครับในพระนรรมโรมบทที่1ข้อที่5ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขา เชื่อฟังโปรดฟังครั้งหนึ่งครับโรมบทที่หนึ่งข้อที่ห้าข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังความเชื่อที่แท้จริงนั้นก็คือการเชื่อฟังครับความเชื่อที่แท้จริงบังเกิดการเชื่อฟังตามมาไม่ได้ตามความเห็นชอบของความคิดของตัวเอง แต่เป็นความเห็นชอบตามความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าทําตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาและน้ํำพระทัยของพระองค์ความเชื่อทําให้เกิดการกระทําใหม่ๆเกิดขึ้นและการกระทํานี้เป็นตัวพิสูจน์ครับเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเชื่อของเราความเชื่อฟังนั้นเป็นกุญแจสําคัญสะท้อนย้อนกลับไปดู ความเชื่อของคนคนหนึ่งได้ประการที่3ครับความเชื่อคือการเชื่อถือพระธรรมกิจการบทที่1 3ข้อ39และโดยพระองค์ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสโดยพระเยซูคริสต์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่ง จะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสการเชื่อถือพระเยซูนั้นทําให้คนเราได้รับความรอดได้รับการยกโทษพ้นโทษจากความผิดความบาปพ้นจากค่าจ้างของความบาปคือความตายคนที่เชื่อพระเยซูเขาพึ่งพระองค์จึงได้รับความรอดบาปถูกยกแล้วเขาได้คืนดีกับพระเจ้าและเป็นบุตรของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราจะเห็นได้ได้ว่า ความเชื่อนั้นคือการพ้นโทษนั่นเองประการที่4ครับความเชื่อนั้นคือการวางใจและยอมติดตามการติดตามสำคัญครับเวลาที่เรารับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีสี่ขั้นตอนใช่ไหมครับพี่น้องคงจะจำได้ขั้นตอนแรกก็คือยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและช่วยตัวเองไม่ได้สารภาพบาป อันที่สองก็คือทูลขอการอภัยโทษจากองค์พระเยซูคริสต์องค์พระบิดาเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราประการที่สองของการอภัยโทษแบบกลับใจใหม่แล้วก็คือไม่ปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ผิดบาปเหล่านั้นอีกการกลับใจใหม่นี่สำคัญนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า repent การกลับใจก็คือการกลับเนื้อกลับตัวมีความเศร้าโศกเสียใจในการทาบาป ปริศนาที่จะมีชีวิตที่ไม่จมอยู่ในความบาปอีกต่อไปและนั่นคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นลูกของพระเจ้าครับเกลือกลั่วกับความบาปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาปอีกแล้วประการที่3ครับก็คือการเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดครับปากกับใจต้องตรงกันยอมรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจครับประการสุดท้ายครับ ก็คือการตัดสินใจติดตามต้อนรับพระเยซูตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปครับตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปนั่นคือสีประการขั้นตอนของการรับเชื่อพี่น้องครับความเชื่อคือ ค, อความไว้วางใจแยอมติดตามครับยอมติดตามตลอดไปย้อนบทที่ 12: บสข้อสาครับเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกของความสว่างวางใจครับยอมติดตามความสว่างยอมติดตามองค์พระเยซูคริสต์ยอมเป็นสาวกของพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไขประการที่5ครับความเชือ่อคือการได้มอบไว้ความเชื่อคือการได้มอบไว้สองทิโมธีบทที่1นึ่ข้สอสิครับแต่ข้าพเจ้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้บทไฟอีกครั้งครับข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้นั่นคือความเชื่อก็คือการที่ได้มอบไว้มอบถวาย ชีวิตของเราไว้และเชื่อมั่นว่าพระเยซูจะรักษาสิ่งที่มอบไว้กับพระองค์นั้นจนกระทั่งถึงวันพิพากษา ว, วันสุดท้ายครับคนที่เชื่อในพระเยซูจริงจริ ง, รงตลอดชีวิตของเขานั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาได้มอบไว้กับพระองค์และเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงสามารถรักษาไว้ให้ชีวิตของเขานั้นถึงความสาเร็จ ประการสุดท้ายครับความหมายของความเชื่อก็คือเป็นผู้ที่เชื่อถือเป็นผู้ที่เชื่อถือเป็นผู้ที่ยกย่องความเชื่อนั้นคือการยกย่องยากอบทที่2ข้อที่1ครับพี่น้องทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชื่อในพระเยสุคริสผู้ทรงพระเกียรติสิริในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยสุคริสผู้ทรงพระเกียรติสิริคำว่าผู้ทรงพระเกียรติสิริ มีความหมายว่าเป็นผู้ได้รับการยกย่องสมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งสมควรที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะเห็นความเชื่อตรงนี้เองนั้นจึงมีความหมายว่าเป็นความเชื่อถือเป็นความนับถือครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆเขาจะเคารพนับถือและถวายเกียรติพระศิลิของพระองค์เขาจะยกย่องเทิดทูนนมัสการให้พระองค์เป็นจอมเจ้านาย และทรงเป็นจอมกษัตริย์พี่น้องครับทั้ง6ประการนี้ก็คือความหมายของความเชื่อครับก่อนที่เราจะจักกันในวันนี้ผมอยากจะทบทวนครับความเชื่อคือการเปิดใจต้อนรับความเชื่อคือการเชื่อฟังความเชื่อคือการเชื่อถือความเชื่อคือการวางใจยอมติดตามความเชื่อคือการมอบถวายความเชื่อ คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเคารพนับถือยกย่องพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความสมบูรณ์ซึ่งความเชื่อเป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าของผมต่อพี่น้องรวมทั้งตัวผมเองด้วยที่เราจะพัฒนาความเชื่อของเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจนกว่าเราจะกลับไปหาพระองค์ครับอาเมน